ข้อความในพระพุทธพจน์ที่กล่าวต่อจากเมื่อเช้าเลยนะเมื่อเช้าหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสงเคราะห์พระพัทธวคคีนั่นะคือสหายสายส0คนน่นะที่ติดตามหาผู้หญิงแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพอฟังธรรมในบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีแล้วก็เป็นพระอนาคามีกัน ไม่มีใครเป็นปุตุชนแล้วก็ไม่มีใครเป็นผ้าอารหรันเสร็จแล้วก็ขอบวชเลยไนงะอยังนึกในใจแล้วเอาแล้วคนที่พามาด้วยไปทิ้งวันไหนบอกกลับบ้านถูกมังม้งว่างั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสดจจาริกไปโดยลําดับถึงตําบลอุรุเวลาแล้วตําบลอุรุเวลานั้นก็อยู่ใกล้ๆกับเสนาณิคม แถวตำบลอุรุเวลาช่วงนี้ก็เรียกว่าแถวแถวตำบลขยานะแถวแถวตำบลขยาก็พุทธขยากับเมืองขยาไม่ไกลกันเท่าไหร่คำว่าเมืองขยานีเป็นจังหวัดเ ป, เป็นจังหวัดเรียกจังหวัดขยาพระองค์ก็เสด็จมาจนถึงตำบลอุรุเวลาแล้วโดยสมัยนั้นแลชเด่นสามคนคืออุรุเวลกัสปะนาะธิกัสปะขยากัสปะอาศัยอยู่ณนะตำบลอุรุเวลา บรรดาชาดินสคนนั้นชาดินคนพี่ที่ชื่อว่าอุรุเวลกัสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชาดิน500คนนะลูกศิษย์เยอะเลยมีตั้ง500ก็ถือว่าเป็นเอตตะทักษะในด้านมีบริวารมากเนี่ยนะชาดินสพี่น้องเนี่ยถือว่าอุรุเวลกัสปะนี่ขุมทั้งหมดทั้งพันนั่นแหละส่วนชาดินคนน้องรองลงมาชื่อนัทีกัสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้า เป็นประธานของเฉดิน300คนเฉดินชื่อว่าขยาเกสะปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศผู้เป็นหัวหน้าเป็นประธานของชฉลิน200คนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปสู่อาสมของชฉลินชื่อว่าอุรุเวลเกษสปะแล้วเข้าไปตรัสกับเฉลินอุรุเวลเกสะปะว่าดูก่อนท่านเกสะปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่งเราไปขอข้างคืนอยู่ด้วยนะ ท่านอุรุเวลกัสปะก็บอกว่าข้าแต่พระมหาสมณะข้าพระเจ้าไม่หนักใจเลยคือไม่หนักใจะนะที่จะให้ค้างคืนอยู่ด้วยแต่ว่าโรงบูชาเพลิงเนี่ยมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสอรพิษมีพิษร้ายแรงอย่าเลยมันจะทําให้ท่านลําบากคือไม่ได้หวงสถานที่รังนะแต่ที่นั่นงูดุงั่นแม้ครั้งที่สองพระองค์ก็ตรัสแก่ชดินอุรุเวลกัสปะว่าดูก่อนท่านกัสปะ ถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่งท่านอุรุเวลกัสปะก็บอกว่าข้าแต่มหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยแต่โรงบูชาเพลิงเนี่ยมีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสอรพิษมีพิษร้ายแรงอย่าเลยมันจะทำให้ท่านลำบากแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสคำเดิมอีกท่านอุรุเวลกัสปะก็กล่าวตามเดิมอีกก็อย่าเลย คืออนุญาตในเชิงแต่ก็ห้ามในทีคือไม่หนักใจแต่ว่างูดุสรุวะอย่าพักเลยว่างนะเพราะถือว่าประโยชน์สุดท้ายเป็นหลักไมอย่าเลยว่าน้นมันจะทำให้ท่านลำบากเหตุผลก็เพราะประโยชน์ของท่านนั่นแหละมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าลางทีพญานาคอาจจะไม่ทำให้เราลำบากดูก่อนท่านกษัสรปยเอาเถิดขอท่านจงอนุญาตรงบูชาเพลิงข้าแต่มหาสมณะเชิญท่านอยู่ตามสบายเถิด ก็แหมย้ำกันถึง3ามสครั้งอย่างเงี้ยก็ตามใจกันแล้วกันอ่างนั้นช่วยเหลือตัวเองเอาก็แล้วกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปโรงบูชาเพลิงแล้วก็ทรงปูย่าเครื่องราชประทับนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดํารงสติมั่นก็คือเจริญสมถาวิปัสสนานั่นแหละครั้งนั้นพญานาคได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปดังนั้นครั้นแล้วก็มีความโกรธไม่พอใจก็เลยบังหวนขวันขึ้นกรมังกรพ่นควันอ่ะนะ ถ้าเป็นตามกลุ่มอื่นก็เรียกว่ามังกรของของเราทางธรรมะก็เรียกพญานาคพญานาคก็บังหวนขวัญขึ้นลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดําเริว่าฉ น, นเนอเราพึงครอบงําเดชของพญานาคด้วยเดชของตนไม่กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกดังนี้แล้วก็บันดาลอิทธาภิสังขารเช่นนั้นบังหวนขวันแล้วพญานาคก็ทนความลบหลู่ไม่ได้กล่าวว่าไอควันที่บังหวนมานี่มันไปกลบตัวเองหมดเลย แต่ว่าก็เจ็บแสบปวดร้อนน่นะตามภาษาควันละก็ทนบอกแหม่ยามกันตมั้งเนี่ยนะก็เลยพ่นไฟตอบนะพระพุทธเจ้าก็เข้าสมาบัติมีเตโชกสินเป็นอารมณ์ก็บรรดานธาตุไฟเนี่ยต่อต้านเอาไว้เพราะว่าไฟทั้งสองฝ่ายก็ลุกโพลงขึ้นนะนะไฟของทั้งสองเนี่ยนะรงบูชาเพลิงรุ่งโรจน์เป็นเปลวเพลิงดุดไฟลุกไหม้ทั่วไป พวกเสด็จก็พากันล้อมโรงบูชาเพลิงนะเพราะมีตั้งหลายมีตั้ง500อก็มาล้อมกันดูว่าชาวเราพระมหาสมณรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน่ภาพรูปงามเดือดร้อนแล้ววันนี้มาต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงครอบงามเดชของพญานาคเหล่านั้นด้วยเดชของพระองค์ไม่กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกพระรงก็ทรงขดพญานาคเอาไว้ในบาดถ้าเหลือไปงูเล็กๆงูกินปลาธรรมดาเนี่ยมาไว้ในบาดเลยนะ โดยผ่านราตรีนั้นพระองค์ก็แสดงแก่เชดินอุรุเวลกัสปะด้วยพุทธธรรมรัตว่าดูก่อนท่านกัสปะนี้พญานาคของท่านเราครอบงำเดชของมันด้วยเดชของเราแล้วจึงเชดินอุรุเวลกัสปะก็คิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้จึงครอบงำเดชของพญานาคที่ดุร้ายได้เป็นพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายแรงด้วยเดชของตนได้ แต่พระมหาสมณะนี้ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่เชื่อนะว่ามีฤทธิ์แต่ว่าไม่เป็นอรหันต์เหมือนเราเพราะเขาเสกตัวเองด้วยใจเรียบร้อยแล้วว่าเขาคืออรหันต์ยืนยันตัวเองว่าเขาคืออรหันต์เพราะฉะนั้นคนอื่นจึงจะมีฤทธิ์มีเดชมากมายขนาดไหนเออก็ยอมรับนะว่าเก่งแต่ก็ไม่เป็นเหมือนเราเหงือนกันเราพิเศษเพราะเราเป็นพระอรหันต์เหมือนกันพื้นที่น้ําแม่น้ำเนรัญชาราก็เป็นแม่น้ําสายเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้า ประทับใกล้แล้วตรัสรู้นะที่เป็นน้ําสายเดียวกันที่ลอยถาดเป็นแม่น้ําแม่น้ํานี่ก็ใหญ่โค้เหมือนกันนะแต่ก็เป็นแม่น้ำทรายนะเป็นเป็นเป็นทรายซะส่วนใหญ่เป็นส้วมของแขกเลยนะตอนนี้รู้กล้าดื่มน้ําได้หรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าถือว่าเป็นส้วมอย่างดีของแขกเลยก็จะไปปล่อยกลางกลางทุ่งทรายนั่นแหละแต่ถ้าหน้านี้ก็มีน้ําไหลนะก้อนข้างมีน้ําไหล แต่ก็น้ำใสจริงๆแต่ก็แบ่ ง, บ ง, บงทวารเอากันแล้วกัน <c oughs> ที่แม่น้ำานรัญชาเนี่ยพระผู้มีพระภาคย้าก็ตรัส ก, กับเชดินอุรุเวลกะสปะดังนี้ว่าดูก่อนท่านกะสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออยู่ในโรงบูชาเพลิงสักวันหนึ่งอันนี้อีกที่หนึ่งนะ <c oughs> ท่านอุรุเวลกะสปะก็บอกว่าข้าแต่มหาสัมณะข้าพระเจ้าไม่หนักใจเลย แต่ข้าพเจ้าหวังความสํารานจึงห้ามท่านว่าในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดร้ายมีฤทธิ์เป็นอสส ร, รพิษมีพิษร้ายแรงอย่าเลยมันจะทําให้ท่านลาบากคือเขาจะมีโรงบูชาเพลิงใกล้ๆแม่น้ำอ่ารัฐที่นี้เนี่ยนะรัะที่ของอรูเวลกัส ป, ปะก็คือรัฐที่อาบน้ําล้างบาปแล้วย่างกิเลสเนี่ยนะก็คือเขาจะมีโรงบูชาไฟแค่ว่าถ้าเป็นพวกสมัยนี้ก็เป็นโรงเผาอิดเผาก็เบื้องเผาอะไรค่าๆเนี่ยนะ แล้วก็จุดไฟเผาแล้วก็แต่และแต่จะมีอะไรไปเผาแล้วก็ย่างไปพิงให้มันร้อนที่สุดเท่าที่จะร้อนได้ถ้าสุดทนนั่นแหละแล้วก็ไปลงน้ําล้างบาป ก, ก็ล้างก็ล้างเหงื่อนะเพราะเหงื่อมันท่วมใช่ไหมก็ต้องไปอาบน้ําล้างออกก็นั่นแหละคือวิธีล้างบาปของเขาเขาก็จะมุดอ่ามุดลงบ้างโผล่ขึ้นมุดลงโผล่ขึ้นสิ้นกรรมวิธีร่ายโอมาแรงของเขาสักอย่างหนึ่งก็เสร็จก็ขึ้นมาอาพิงต่อ พิงให้มันร้อนเราอุสุดๆก็ลงไปอาบน้าล้างบาปต่อเขาจะทำอยู่อย่างนี้จนเป็นอรหันต์ในความคิดเสกตัวเองด้วยใจเรียบร้อยว่าชั้นคืออรหันต์เนี่ยไอ้โรงบูชาไฟตรงที่ไฟย่างกิเลส ต, ตรงนั้นอะ่ะพระ อ, องค์บอกขอไปพักตรงนั้นได้ไหมก็บอกว่าถ้าท่านไม่หนักใจขอให้เราได้พักตรงนั้นบอกไม่หนักใจหรอกแต่ว่ามังูมันริรยายมากอย่าเลยเดี๋ยวมันจะทําให้ท่านลําบากแต่จริงๆก็อนุญาตในทีแต่ก็ห้ามอะ่ะจริงๆก็คือห้ามนั่นแหละ พระองค์ก็บอกว่าบางทีพญานาคอาจจะไม่ทําให้เราลําบากดูก่อนท่านกัสปะเอาเถิดขอท่านจงอนุญาตโรงบูชาเพลิงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทราบว่าท่านอุรุเวลกัสปะนั้นอนุญาตแล้วก็ไม่ทรงขั้นครามปราศจากความกลัวเสด็จเข้าไปพญานาคเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สแสวงหาคุณความดีพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นะก็คือ พระมเหสีเจ้าพระผู้สแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัศนะเนี่ยเข้าไปก็ไม่พอใจบางหวนขวัญขึ้นส่วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ประเสริฐมีใจดีมีพระไทยไม่ขัดเคืองเลยนะก็คือใจดีเสมอว่า ง, งั้นเถอะแม้กระทั่งเขาจะพ่นพิษพ่นขวัญกลับมาพระองค์ก็ใจดีกับเขาเสมอไม่ขัดเคืองแปลว่าไม่ระคายเคืองทางความคิดเลยแต่ก็บางหวนขวัญขึ้นในทีนั้น การโต้อตอบเนี่ยไม่ได้แปลว่าทำด้วยโทสะเสมอไปเพราะว่าจิตใจไม่ได้มุ่งเบียดเบียนแต่ลักษณะเป็นการโต้อตอบเพื่อป้องกันตัวเนี่ยนะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เดือดร้อนจริงแต่พญานาทนความลบหลู่ไม่ได้จึงพ่นไฟสู้ส่วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ประเสริฐทรงฉลาดในกสินสมาบัตมีเตโชธาตเป็นอารมณ์ได้ทรงบรรนานไฟต้านฐานเอาไว้ในที่นั้นเมื่อทั้งสองฝ่าย โลงไฟขึ้นแล้วโรงบูชาเพลิงรุ่งโรจน์เป็นเปลวเพลิงพวกชดินก็กล่าวกันว่าชาวเราพระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน่เมื่อราตรีผ่านไปเปลวไฟของพญานาคก็ไม่ปรากฏแต่เปลวไฟสีต่างๆของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ยังสถิตอยู่คือไฟของพญานาคมันเป็นไฟที่เกิดจากโทสะเนี่ยน ะ, ะด้วยฤทธิ์ของพญานาคมีโทสะเป็นสมุธฐานก็พ่นไฟออกมา ไม่ทราบว่าเท่ากับพุ่งแบบไฟผสมอะไรนะออกซิเจนตัดเหล็กนะไม่รู้อรุณแรงพ่นแรงขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ใช้เตโชกสินพุ่งออกไปแต่ว่าเตโชกสินเนี่ยบวกกับสีหสีก็คือบวกกับฉับพันรังสีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีหงสบาว่าสีประพาสศเนี่ยผสมกับสีเหล่านั้นแล้วก็ไฟของพญา น, นากระับดับไปแต่ไฟของพระพุทธเจ้าก็ยังลุกพลงอยู่ด้วยความงดงามเนี่ยนะ พะรศสีสีต่างๆที่สร้างออกจากะวรกายเช่นสีเขียวสีแดงหงสสว่าสีเหลืองสีแก้วผลึกปรากฏที่พระกายของพระอังคีรสเนี่ยนะพระอังคีรศะพระพุทธองค์ก็ทรงขดพญานาคเอาไว้ในบาทแสดงแก่พรามว่าดูก่อนกัสปะนี่พญานาคของท่านเราครอบงามเดชของมันด้วยเดชของเราแล้ว คั้งนั้นท่านอุโรเวลกัสปะเลื่อมสายยิ่งนักเพราะอิทธิปาฏิหารินี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่มหาสมณะนิมนต์อยู่ที่นี่แหละข้าพระเจ้าจักบํารุงท่านด้วยพัตตาหารประจําว่าเออเก่งนะสู้นาคได้นี่ไม่ธรรมดาวอานิมนต์อยู่นี่แหละเดี๋ยวจะถวายอาหารให้ก็แล้วกันค่ะว่าเลี้ยงได้ไหมคะ่ะยอมรับแต่ที่จะเลี้ยงพระผู้เเจ้ า, าได้อย่างนี้นิมนต์อยู่นี่แหละก็เกี่ยวกับลัทธิอาบน้ำล้างบาปเนี่ยนะ สมัยโน้นของมาว่าไม่น่าจะยิ่งใหญ่เท่าสมัยนี้ในการอาบน้ําล้างบาปเนี่ยนะอย่างเทศการกลุ่มภ้าเมลาอะไรของเขาเนี่ไปอาบทีเป็นล้านเนยเหยียบกันตายจริงสามสี่ิอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาอาบน้ำล้างบาปเนี่ยเะนั้นเขาดีใจนะที่ไปตายที่นั่นตายในระหว่างล้างบาปเขาเชื่อว่าไปสวรรค์ขนาดตายที่อื่นก็ยังเอาให้แบกหามศพเนี่ยไปที่แม่น้ำเนี่ยจะได้เชื่อว่าจะได้ไปดิบไปดีเนี่ยนะก็เชื่อกันเอาจริงเอาจังมาก แล้วคนไทยเราก็ชอบไปดูแขกอาบน้ําแบบนั้นอย่างที่ว่าด้วยเออไม่รู้มันโก้ตรงไหนก็ไม่ทราบบอกออพิเศษเลยบอกไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นตรงแม่น้ำว่างั้นโอ้ขนาดนั้นเลยบอกไปกันเถอะว่างั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับอยู่ณนไะพรสนแห่งหนึ่งไม่ไกลาอาสมของชดินอุรุเวลกัสปะครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่เมื่อราตรีพัมยานผ่านไปก็คือประมาณสีห้าทุ่มหกทุ่มอะไรแถวนั้นอ่ะนะ ท้ามหาราชทั้งสี่คือเท้าเวสวรัน์เป็นต้นเนี่ยก็เป่งรัศมีงามยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นถึงแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเท้ามหาราชก็ยืนเฝ้าอยู่ในทิศทั้งสี่ก็เหมือนกับอยู่สี่มุมเลยนะดุดกองไฟใหญ่ฉะนั้นต่อมาชินอุรุเวลกัสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยผ่านราตรีนั้นครั้นถึงแล้วก็ได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ถึงเวลาแล้วมาหาสมณนาพรตาหารเสร็จแล้วคือเขาก็รับที่จะถวายอาหารประจำใช่ไหมเชาวมาก็ไปนิมนต์ให้มาสเสวยมาฉันเสร็จ แ, แล้วก็ถามว่าพวกนั้นนะคือใครกันหนอเมื่อราตรีปฐมมยามผ่านไปมีรัศมีงามอย่งางไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปหาท่านครั้นถึงแล้วก็อภิวาทท่านได้ยืนอยู่ณนะทิศ4ี่เนี่ยนะทั้งสี่ทิศดุดกองไฟใหญ่ฉะนั้นคือมีรัศมีพุ่งออกมานะ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อว่าดูก่อนท่านกับสปะพวกนั้นคือเท้ามหาราชทั้งสเข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรมนี่นะก็คือเทวดาชั้นจาตุมนะท่านมาฟังธรรมกันชดินอุรุเวและกับสปะก็มีความคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับเท้ามหาราชทั้ง4ี่เข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันเหมือนเรานะก็ะยังเก่งสู้เราไม่ได้เราเป็นอรหันเขาแค่มีฤทธิ์เน่ยนะ ว่าอารหันนี่เหนือกว่าคนมีริสเพราะฉะนั้นเราเป็นอรหรันท่านเป็นแค่คนมีริสเหมือนั้นไม่เป็นอรหันเท่าเราเหมงอนนพระพุทธเจ้าก็รู้นะพระ อ, องค์ก็ไม่ว่าอะไรพระองค์ก็เงียบคือบางคนเนี่ยนะยิ่งคนที่ลําพองมากขนาดนี้ว่าอะไรไม่ได้เลยนิ่งเขามีความเชื่อมั่นสูงเนี่ยแตะต้องเขาไม่ได้เลยแล้วก็คนที่บูชาไฟเนี่ยก็อย่างที่ว่าคนที่บูชาไฟเนี่ยไม่ใช่ทําให้ใจเย็นเลยนะจิตใจก็สะสมเตโชาธาตุไว้เยอะเพราะนั้นก็ส่องเสพจากของร้อนทั้งพวกนี้ใจร้อนหน่อย นั่นก็ต้องนิ่งให้ใครอยากว่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะก็ปล่อยเข้าไปก่อนยิ่งคนดุดุหน่อยก็อย่าไปทําอะไรเลยนีนะอย่าไปทําให้ลูกสุนัขดุแค่เราว่าเหมือนกับแย่ดีหมีเนี่ยเข้าไปใกล้จมูกลูกสุนัขดุดมันจะดุุยิ่งขึ้นไปอีกว่าบอกงั้นทัานกลุ่มฤาษีเหล่านี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเงียบอย่างเดียวก็แค่เราว่าค่อยๆผ่อนค่อยๆคลายทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆเพราะว่ามานะเขายิ่งใหญ่มากมานะแบบนี้เขาเรียกอาทิมานะ มานะที่ที่ไม่เป็นจริงอ่ะนะคือสำคัญผิดไปเองสำคัญตัวเองว่าเป็นอรหันเพียงแต่ว่าย่างไฟอาบน้ำล้างบาปเท่านั้นเองก็เนี่ยแหละเขาทำจนเรียกว่าครบวิชากระบวนความของเขาเขาก็เชื่อว่าเขาเป็นพระอรหันต์แล้วละครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสวยพระตาหารของดินอุรุเวลกัสปะประทับอยู่ในไพรสนตาบนนั้นแหลครั้งนั้นเทา้าส ก, กจอมเทพ เมื่อราตรีปฐมยามล่วงไปแล้วแปลงรัศมีงามยิ่งยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นถึงที่แล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งดุดไฟกองใหญ่ด้วยวันณะที่งดงามประนีตกว่ารัศมีของเทวดาก่อนอีกเนี่ยนะเพราะว่าเท้าสักกะมีรัศมีงามกว่าเท้าจ่าตุม่มเนี่ยนะเท้าจาตุ้มก็เหมือนกับอมัดทั้ง4ของท่านเท่านั้นเองเนี่ย เพราะว่าท้าสักกะเนี่ยควบคุมเป็นใหญ่กว่าเทวดาสองชั้นคือชั้นดาวดึงกับชั้นจาตุมเนยนะเทวดาชั้นจาตุมมหาราชก็เหมือนกับทหารยามเหมือนะเหมือนกับเป็นทหารเมืองชายแดนให้ดูแลป้องกันเท่านั้นเองนันก็พระราชาคือเท้าสักกะก็มีรัศมีงามกว่าต่อมาเชดินอุรุเวลกัสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยผ่านราตรีนั้นครั้นถึงแล้วก็ได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ถึงเวลาแล้วมาหาสมณะพัตนาหารเสร็จแล้วนักก็ถามต่อไปนึกเมื่อคืนเนี่ยนะสว่างมากอะ่ะนั้นอ่ะเป็นใครกันเนาเมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปแป่งรัศมีงามอย่างไพรศนทั้งสิ้นให้สว่างสวเข้ามาหาท่านครั้นเข้ามาถึงแล้วก็ยังอภิวาสท่านอภิวาสแปล ว, ว่ากราบเคารพมากเนี่ยนะเขาบอกว่ า, วายัางมากถ้าคนแบบเคารพธรรมดาเพียงแต่ยกมือไหว้ก็ถือว่าเคารพพอสมควรนี่มาถึงแล้วกราบท่านเลยนะกราบเสร็จแล้วมายืนส่วนข้างหนึ่งของท่านน่ะ รัศมีก็สว่างสวัยดุดไฟกองใหญ่งามและก็ประณีตกว่ารัศมีของเทวดามาชุดก่อนอีกมั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าผู้นั้นคือเท้าสักกะจอมถวยเทพเข้ามาหาเพื่อฟังธรรมก็เข้ามาเพื่อฟังอริยสัจธรรมจากพระพุทธเจ้าชดินอุรุเวลกัสปะก็ได้มีความคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับเท้าสักกะจอมถวยเทพเข้ามาหาเพื่อฟังธรรม แต่ก็ไม่เป็นพระรหารเหมือนเรานะก็ไม่ยิ่งใหญ่ขนาดเรานะเราใหญ่กว่าอีกมาณนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสวยพระตาหารของชเดินอุรุเวและกัสปะแล้วประทับอยู่ณไพรสนตำบนนั้นครั้งนั้นเมื่อตราตรีปฐมยามผ่านไปเท้าสัมบดีพรมเนี่ยนะก็พรมที่าราธนาให้พระองค์แสดงธรรมนะ ก็แปลงรัศมีงามยิ่งยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเข้าไปถึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งดุดไฟกองใหญ่นะรัศมีที่งดงามและประณีตกว่าเทวดาอีกเทวดานะงามกว่าเท้าจ่าตุมงามกว่าเท้าสักกะเพราะว่าท่านเป็นเท้ามหาพรหม ครั้นล่วงราตรีไปเชดินอุรุเวลกัสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นถึงแล้วก็ได้ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมาหาสมณะพัฒนาหารเสร็จแล้วก็อดใจถามไม่ได้เมื่อคืนสว่างมากอะ่ะบอกผู้นั้นเป็นใครกันเนาะเมื่อราตรีปฐมายามผ่านไปแล้วแปลงรัศมีงามยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้ามาหาท่าน ครั้นถึงแล้วก็อภิวาทท่านได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งดุดไฟกองใหญ่และงามประณีตกว่ารัศมีของเทวดาก่อนๆพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อว่าดูก่อนท่านกัส ป, ปะผู้นั้นคือเท้าสามบดีพรมเข้ามาหาเราเพื่อฟังคำรู้เวลกัส ป, ปะก็คิดไว้ว่าเออพระมหาสมณะนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงกับเท้าสามบดีพรมเนี่ยเข้ามาหาเพื่อฟังคำแต่ก็ไม่เป็นผ้าอรหันเหมือนเราแน่ ไม่ดีจริงหรอกสู้เราไม่ได้เราเก่งกว่าเนี่ยนะเราเป็นอรหันต์ของท่านแค่พรหมมหาแค่นั้นเองแต่เราเนี่ยเตีนอรหันต์แต่เทวดาไม่เคยมาหาเลยอย่างั้นที่จริงในหลักการพูดถึงตอนที่ภาษาลีบุตรจะดับขันปริณิพานเหตุการณ์จะคล้ายกันตอนที่ภาษารีบุตรไม่สบายมากป่วยเรียกว่าเวทนาปางตายเลยงนะั้นนอนอยู่ที่เตียงที่เกิดนั่นแหละแล้วก็เทวดาก็มาเฝ้าเข้ามาทีละชุดทีละชุดเนี่ยนะเท่ามหาราช เท้าสักกะจนถึงเท้ามหาพรหมก็มาเช่นนี้แม่พระสารีบุตรก็ฟังอยู่ตรงนั้นอนะ่ะยืนฟังดูเอ้ใครเข้ามาก็เที้ยบคอยถามลูกว่า น, น, น, น, นี้ใครนะี้ใครนี้ใครนี้ใครเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พระสารีบุตรก็เล่าให้ฟังบอกโอ้ขนาดลูกของเราณนะอนุภาพยังมากขนาดนี้และพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของลูกเราเนี่ยจะขนาดไหนพระสารีบุตรก็แสดงพระพุทธคุณให้มารดาฟังมารดาก็มีปีติในพุทธคุณมาก แล้วก็พอฟังพุทธคุณกระถาจบก็เป็นพรัสดาบันนะเป็นพรัสดาบันก็บอกโอ้ยทำไมลูกปล่อยให้แม่ตกค้างนานขนาดนี้เหมือนกันทำไมไม่สงเคราะห์แม่บ้างตั้ง40ปีนะสีกว่าปีแม่ไม่เลื่อมใสเลยเพราะฉะนั้นภาษาดิบุตรไปบินทบาทที่นานละกาคำเมื่อไหร่ก็ได้แต่คําเสียดสีเท่านั้นนะได้แต่คําเสียดสีพูดทิมพูดแทงพูดดักหน้าดักหลังที่พระหุนใช้ว่าคุณยากก็ไม่ได้ว่าอะไรมีแต่ด่าอย่างเดียวเหมือนกัะ พระราหุลเนี่ยเรียกเรียกแม่ภาษาริบุตรว่าคุณย่าเนี่ยนะบอกว่าพระราหุลคุณย่าว่าไงมั่ง ก, ก็ได้แต่คําด่ามาแล้วอุปชาของเธอว่าไงอุปชาก็เงียบประมาณภาษาริบุตรนี่เงียบตลอดเลยนะจนเนี่ยก็บางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะคุยด้วยง่ายๆเนี่ยนะแต่ก็ท่านก็เก็บใจรอตั้ง44ปีเนี่ยนะอดใจรอ44ปีของเราก็ใครก็บอกว่าแข็งแข็งก็ทนหน่อยว่าโอ้ยไม่ไหวหรอกท่านตั้ง44ปีตายเกิดใหม่ตั้งนั้นแล้วขนาดนั้น ทางนั้นก็ไว้สงข้อกันชาติหน้ากันแล้วกันทำบุญไว้เยอะๆสาธุชาติหน้านะบุญที่ทําชาตินี้ก็ขอให้มีฤทธิ์มีเดชมีบุญมีอํานาจให้สงเคราะห์คนนั้นได้เถอะเนี่ยนะต้องได้น่ะสักวันหนึ่งนะใครอะไรจะไปทนความปรารถนาดีได้ยังไงทางนั้นต่อไปอีกว่าโดยสมัยนั้นแหละเชดินอุโรเวลกัสปะได้เตรียมการบูชายันเป็นการใหญ่และประชาชนชาวอังคาและมคธทั้งสิน้นเรียกว่าชนสองรัฐสองแคว้นใหญ่ๆเนี่ยนะ แควนพระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยลัทธิที่คนในยุคนั้นนับถือมากที่สุดก็คือลัทธิของอุรุเวลกัสปานาธีกัสปะขยากัสปะสมพี่น้องอรหันต์นี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดพอมีลูกศิษย์ตั้งหนึ่งพันคนเนี่ยนะสถานที่ใดที่อยู่กันเป็นพันพันคนเนี่ยมันถือว่าโอ้ยยิ่งใหญ่นะกลุ่มฤาษีด้วยเนี่ยนะไม่ใช่กองทัพเนี่ยกลุ่มฤาษีที่อยู่กันเป็นพันพันท่านน่ยแล้วข้อวัดปฏิบัติเขร่งคัดมากประชาชนนับถือกันทั้งสองแคว้นเลยทั้งแคว้นอังคากับแคควนม เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอยู่ที่เมืองราชจะครึกแต่ว่ามีอํานาจคลุมสองรัฐใหญ่ก็คือแคว้นอังคากับแคว้นมคธพระองค์เนี่ยได้รับปฏิญญาอยู่แล้วใช่ไหมว่าจะไปสงเคราะห์หรือจะไปโปรดแว่นแคลนคือแคว้นมคธก่อนเนี่ยทีนี้อาการที่จะสงเคราะห์ในคนในแคว้นนั้นได้อะ่ะก็ต้องสงเคราะห์อารหารของแคว้นนั้นก่อนนะนะสงเคราะห์ผ้าอารหารในแคว้นนั้นให้ได้ดิบได้ดีก่อนนะนะแล้วประชาชนที่เหลือก็ไม่ยากทีนี้ เขาจะมีงานปีเรียกว่างานประจําปีของงานประจําปีบูชายันของชาวประชาชนชาวสองแคว้นเนี่ยก็จะมาบูชาที่ไหนมาที่สํสน า, ส า, ส น, าสนักของอุรุเวลกัสปะนาธีกัสปะขยากัสปะเนี่ยโดยเฉพาะสํานักของอุรุเวลกัสปะผู้พี่ชายใหญ่ก็แล้วกันบูชายันก็คือการบูชาชนิดพิเศษบูชาอรหันต์ของเขาอ่ะนะก็ถือว่าสุดยอดนาบุญนั้นคนอินเดียที่เขานับถือเขานับถือกันจริงๆนับถือมาก มันเรียกว่านับถือกันคนเป็นเรียบแสบเนี่ยที่เข้าไปหาเนี่ยนะสมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่เนี่ยนะคนที่ได้รับการนับถือเนี่ยถูกได้รับการนับถือนับถือจริงๆเลยนะจะนุ่งลมหม่มอากาศ ก, ก็ช่างเถอะถ้าเขานับถือแล้ว ก, ก็นับถือกันถวายชีวิตเลยแหละนี่ประชาชนก็เลยถือเอาของเคี้ยวของบริโภคเปน็นอันมากบ่ายหน้ามุ่งไปหาไปจนถึงชเดนอูรูเวและกัส ป, ปะ ฝ่ายอุรุเวละกัสปะก็คิดว่าบัดนี้เราได้เตรียมการบูชายันเป็นการใหญ่ประชาชนชาวอังคะชาวมคตทั้งสิ้นก็ได้นำเอาของเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากบ่ายหน้ามุ่งมาหาเราทีนี้ก็เรานี่ไม่ใช่ธรรมดาคนยิ่งใหญ่มากขนาดเนี้ยประชาชนสองแคว้นต้องมาบูชาเราแต่ก็เอะใจถ้าพระมหาสมณะจักทาอิทิปาติหาในหมู่มหาชน ลาบสการะจักเจริญยิ่งแก่พระมหาสมณะส่วนลาบสการะของเราจาักเสื่อมฤติยามก็จะเข้ามาแล้วเรียกว่าขอความอัศจรรย์จงมีแต่เราผู้เดีย ว, วนะก็เลยบอกเออทำไงเนานะพรุ่งนี้พระมหาสมณะไม่ต้องมาฉันทํำยังไงดีจะไปบอกตรงๆหรือก็เกรงใจเนี่ยนะพูดไม่ได้ใช่ไหมนะะน้ําท่วมปากเพราะตัวเองก็ปวารณาไว้เดี๋ยวจะจะถวายอาหารให้ท่านฉันจะไปบอกว่าพรุ่งนี้ท่านไม่ต้องมาหรือมันก็ได้แต่ความอึดอัดใจนะเดี๋ยวก็ถ้าเขาแสดงฤทธิ์เมื่อไหร่เราก็จบเลย เราก็เป็นอรหันต์แต่ทำฤทธิ์อะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะอรหันต์ในความคิดเท่านั้นเองเอ๊ะทำไงดีบอกเอ๊ะก็ตั้งความปรารถนาคิดไว้ในใจลึกๆว่าเออสมณะเนี่ยทายังไงท่านไม่ต้องมาหรอกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทราบความปริวิตกแห่งจิตก็คือรู้ความคิดของท่านอรุเวละกัส ป, ปะด้วยพระทัยแล้วเนี่ยนะด้วยพระสัพพัญยุตยานเนี่ยนะ พระองค์ก็เสด็จไปอุตรากุรุทวีปทรงนำบินทบาทจากอุตรากุรุทวีปนั้นมาสเสวยที่ริมสะอนุดาประทับพักกลางวันอยู่ณที่นั้นอยู่ทั้งวันเลยเราไม่พระพุทธเจ้ารู้เลยนะไม่เสนอตัวเข้ามาแม้แต่นิดเดียวเลยนะเดี๋ยวมันจะกระเทือนสำนักอรหรันต์งันคันล่วงราตรีนั้นเชเดินอุรุเวลกัสะปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า คันถึงที่แล้วก็กราบทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะพัฒนาอาหารเสร็จแล้วนะได้เวลาฉันแล้วนะแต่เมื่อวานแกล้งลืมเลยนะเมื่อวานนี่แม่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตานี่ดีที่สุดแล้วแต่วันนี้เนี่ยได้เวลาอาหารแล้วเ่มงอนนแต่ก็เอออดคิดไม่ได้ว่าเออเพราะเพราะเหตุไรเนาะเมื่อวานนี้ท่านจึงไม่มาเออความจริงเนี่ยข้าพระเจ้าก็ระลึกถึงท่านว่าเหตุไฉนเนอพระสมณะจริงจะไม่มา แต่ส่วนแห่งขาชนียาโภชนียาอาหารข้าพเจ้าก็จัดไว้เพื่อท่านเอ้เมื่อวานนี้ก็คิดนะว่าเอ้ยทำยังไงจะได้ไม่มาแต่ก็จัดอาหารรอนะแต่ทาไมไม่เห็นล่ะพระพระเจ้าก็ย้อนถามมาดูก่อนกับสปะท่านได้คิดอย่างนี้ไม่ใช่หรือว่าบัดนี้เราได้เตรียมทําการบูชายันเป็นการใหญ่และประชาชนชาวอังคาชาวมาคตทั้งสิ้นได้นำของเคี้ยวและของบริโภคเป็นอันมาก บ่ายหน้ามุ่งมาหาท่าพระมหาสมณะจักทาอิทธิปาติหารในหมู่ชนลาบสการะจักเจริญยิ่งแก่พระมหาสมณะลาบสการะของเราจักเสื่อมโอ้ทำไงพรุ่งนี้พระมหาสมณะจึงจักไม่มาฉันเรียกว่าจับเอาความคิดนั้นมาเล่าให้ฟังหมดเลยที่ท่านคิดเนี่ยท่านคิดว่างไงบ้างดูก่อนท่านกัสปะก็นั้น เ, เรานั้นแลก็รู้ความคิดของท่านด้วยใจ เราก็เลยไปอุตรกุรุทวีปนําอาหารบิณทบาทมาจากอุตรากุรุทวีปนั้นมาฉันมาฉันอยู่ที่ริมสานโนดาดแล้วก็พักกลางวันอยู่ณที่นั้นเชดินรู้เวลากสปะก็คิดว่าพระมหาสมณะนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้เนรู้แม้กระทั่งความคิดไปบินทบาทที่อื่นฉันก็ได้อะไรก็ได้ทราบได้แม้กระทั่งความนึกคิดได้ด้วยใจแต่ก็ไม่เป็นพผ้าหาันเหมือนเราว่ ง, งนะั้นเหร สู้เราไม่ได้เราเป็นผ้าทหารใช่ไหมถึงจะมีฤทธิ์รู้วาระจิตใครขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนเราคือผ้าทหารก็ในฐานะผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมเขาเนี่ยบริสุทธิ์จริงๆเพราะเขอาบน้ําล้างบาปมันนอนบูชาไฟย่างกิเลสจนกิเลสมันหมดเลยแหละอาบน้ําชําระล้างทิ้งหมดแล้วมันเขาเหนือกว่าพระพุทธเจ้าก็ได้แต่รูปงามแล้วก็แสดงฤทธิ์ได้ก็มีอะไรเนี่ยนะรู้วาระจิตไม่เห็นมีอะไรเลยสู้เราไม่ได้เราแน่กว่ามั้น ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสวยพระตาหารของเฉลินอุรุเวและกัสริย์แล้วก็ประทับอยู่ณนไะพรสนตาบนนั้นพูดถึงเนี่ยนะท่าพระพุทธเจ้าไม่มีใจกรุณาจริงๆเนี่ยยากที่จะทําได้คนมีมานะมากขนาดนั้นเนี่ยลำพองขนาดนั้นเรียกว่าหยาบขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคือเจ้าสํานักทั้งหลายที่สําคัญตัวเองผิดๆเนี่ยโดยมากเป็นอย่างนี้เกือบทั้งนั้นนะจะว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยไหนก็เหมือนๆกันอนะ่ะคนมีกิเลสเนี่ยนะกิเลสมันเข้าสิงสมัยไหนมันก็ มันก็อยากพอๆพกันน่นแหละโดยสมัยนั้นผ้าบางสกุลเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผ้าบางสกุลตัวเนี้ยที่ที่พระองค์ไปชักเอามาจากไหนจากศพของทาสีชื่อว่าปุนาเนี่ยนะก็ไปไปชักเอาผ้าบางสกุลออกเนี่ยนะก็เขามีศพทาสีคนหนึ่งอ่ะนะห่มด้วยผ้าบางสกุลเนี่ยแล้วพระองค์ก็ไปชักเอาผ้าบางสกุลนั้นแล้วก็เขี่ยหนอนออกแล้วก็เอาผ้ามา ไอ้ผ้านี่แหละที่ที่พระมหากรสปะเอาไปนุ่งตลอดเนี่ยนะที่ที่พระมหากรสปะเป็นเลิศทางพระผู้ผู้ทรงผ้าบางสกุลหรือว่าที่ทรงทุดงเขวัตเนี่ยนะก็ goes, เอาผ้านี่แหละที่ไปแลกเอาผ้าใหม่ที่พระมหากรสปะใช้มาแล้วก็พระองค์ก็สละกผ้าบางสกุลอันนี้ไปให้แก่พระมหากรสปะผ้าบางสกุลนี้เกิดขึ้นแกพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดำริว่าเราจะพึงซักผ้าบางสกุลณนะที่ไหนเนา แรีกว่าผ้าที่กําลังเปื้อนคราบผิวหนังคราบเลือดคราบน้ำหนองอะ่ะที่ที่เปือเป้อนๆมาอย่างนั้นอะ่ะบอกว่าจะไปซักที่ไหนเนอคิดดูงั้นนะเขามีอะไรนะผ้าห่มนวมที่เขาหม่มศพอ่ะบางวัดนี่มีหลายผืนมากเลยนะเคยบวชสมัยเด็กๆ ก, กลงกังจริงไม่หม่มเด็ดขาดเลยนะหนาวก็ช่างเหอะไปหาอย่างอื่นมาห่มแทน <c oughs> นี่ก็พระองค์ได้ผ้าอย่างนั้นก็ปรารภจะซักผ้าบางสกุลว่าจะซักที่ไหนเนอ ลำดับนั้นท้าวสก่าจอมทวยเทพก็ทราบความคิดในพระไทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระไทยของพระองค์เนี่ยนท้าวสก่ารู้นะว่าพระพุทธเจ้าคิดอะไรอยู่จึงขุดสะบกคารณีด้วยพระหัตใช้มือนี่ขุดเลยแมโครมือนะแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดซักผ้าบางสกุลในสะนี้ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำเดชต่อไปว่า เราจะพึงขยํำภาพบางสกุลณนะที่ไหนหนอคือเขาจะซักบนพื้ น, นนะก็มันก็ขยําขยํากับพื้นอะ่ะคือไม่ใช่ขยี้นะคือขยําอะ่ะต้องมีที่รองรับอ่ะนะถ้าขยี้ก็ไม่ไม่ต้องมีอะไรรองแต่ถ้าขยําต้องมีอะไรรอง